หรือว่ารู้รู้เฉพาะซึ่งทำทั้งหลายว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาคือรู้นะรู้ด้วยอริยมรตมีนิพพานเป็นอารมณ์ขณะที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยตรัสรู้สังคตะธรรมที่เหลือโดยกิจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นอ่ะดับไปเป็นธรรมดาที่ดับได้ดับไปเป็นธรรมดาดับเพราะอะไรดับเพราะว่าถ้าแทงตลอดท่านิพพานสังขารทั้งหลายจัก จากดับนะครัเรียกว่าตัดการก่อสร้างแล้วงั้นนะตัดการก่อสร้างวัตตะแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรียกว่าบุคคลผู้มีความรู้เนี่ยนะรู้ธรำด้วยความรู้ทั้งหลายว่าโดยสรุปผู้มีความรู้ก็คือมีปัญญามีอริยมรรคขปัญญายรู้อริยสัจ ท, ทั้งหลายด้วยปัญญาเหล่านั้นนี่แหละจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาอย่างแท้จริงันผู้ที่มีปัญญาก็คือมีปัญญาที่จะถ่ายถอนอวัตตะทั้งหลาย คำว่าเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินย่อมไม่ไปดําเนินไปผิดผิดถูกๆเนี่ยนะคือผู้มีปัญญาเหมือนแผ่นดินเนี่ยไม่เดินไปแบบผิดผิดถูกๆ อ, อีกแล้วเนี่ยนะว่าบุคคลผู้มีปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินย่อมไม่จากศาสดาต้นถึงศาสดาหลังผู้มีปัญญาดุดแผ่นดินเหมือนพระพุทธเจ้ า, ราพาาระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านท่านเปลี่ยนศาสดาอีกไหมไม่เปลี่ยนเนี่ยนะ มันธาตหันทั้งหลายเนี่ยท่านไม่จากาศาสดาต้นถึงาศาสดาหลังไม่จากธรรมะที่าศาสดาต้นบอกถึงธรรมะที่าศาสดาหลังบอกไม่จากหมู่คณะต้นถึงหมู่คณะหลังไม่จากทิฏฐิต้นถึงทิฏฐิหลังไม่จากปฏิปทาต้นถึงปฏิปทาหลังไม่จากมรรคต้นถึงมรรคหลังเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินเนี่ยคือมีปัญญาใหญ่มีปัญญามากมีปัญญาเครื่องรื่นเรอง มีปัญญาไวมีปัญญาคมกล้ามีปัญญาเป็นเครื่องทําลายกิเลสเนี่ยนะผู้ที่มีปัญญาเนี่ยที่กว้างขวางดุดแผ่นดินเนี่ยนะก็ยังไงก็คือปัญญาอย่างที่เราเคยฟังมาแล้วนะว่าผู้มีปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินเนี่ยนะหรือผู้มีปัญญาใหญ่เนี่ยนะก็คือมีปัญญากําหนดอัตตะคือ ทุกขสัตว์กับนิโรสัตว์ใหญ่ๆเนี่นะกำหนดธรรมะคือมรรคสัตว์กับสมุทยัทยสัตว์ได้ยิ่งใหญ่หรือนิรุติก็ออกมาแสดงปฏิพานก็ไหวพริบในการแสดงสิ่งเหล่านั้นได้ใหญ่หรือกําหนดศีลขันสมาธิขันปัญญาขันมีมุติขันมีมุติยานัทสนะขันใหญ่หรือว่ามีปัญญาใหญ่ก็กําหนดฐานะอาฐานะใหญ่วิหารสมาบัติใหญ่อริยสัตว์ใหญ่สติปทานใหญ่ สมมาประธานใหญ่อิทิบาทใหญ่อินรียใหญ่พระละใหญ่โพชงใหญ่มรรคแปดใหญ่สามัญญผลใหญ่อภินญาใหญ่นิพพานใหญ่อยังไงชื่อว่าผู้มีปัญญาใหญ่นะอันผู้ที่มีปัญญาใหญ่มีปัญญากว้างขวางหลุดแผ่นดินเนี่ยท่านเหล่านี้จะไม่จากศาสดาเคริวจะไม่หันหน้านับถือผู้อื่นนอกจากพระพุทธเจ้าไม่หันนับถือผู้อื่นนอกจากคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ละหมู่คณะคือพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยนะท่านไม่ละอยู่เด็ดขาดเนี่ยนะ แต่ว่าผู้มีปัญญาใหญ่ส่วนผู้มีปัญญามากก็คือมีปัญญาในขันต่างๆมากมีปัญญาในอายตนะต่างๆมากธาตุมากปฏิจจสมุปบาทมาก น, นะในการไม่รับความว่างเปล่าต่างๆมากในอัดในธรรมนิรุตติปฏิพานศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณัศ น, นะฐานะอาฐานะวิหารสมาบัติอริยสัจสติประธานสมมาประธานอิทิบาตอินทรีย์พละโพชฌงค์อารยมัก สามัาาญญผลอภินญานิพานเนี่ยเรียกว่าผู้มีปัญญามากเนี่ยนะก็คือสิ่งที่เป็นเหตุและไม่ใช่เหตุเนี่ยนะฐานะก็คือเหตุอาฐานะก็คือไม่ใช่เหตุเนี่ยนะก็คือปัจจัยนั่นแหละฉนั้นคาว่าแผ่นดินชื่อว่าภูริบุคคลประกอบด้วยปัญญากว้างขวางไปเสมอด้วยแผ่นดินนั้นเนี่ยนะนผู้ที่มีปัญญากว้างขวางเหมือนแผ่นดินอย่างนี้นะไม่ดาเนินไปผิดถุกท ก, ท ก, ทก ที่ที่เปรียบเทียบว่าผู้มีปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินเนี่ยน่าจะชัดเพราะดินเนี่ยท่านเอามาทําปริญญาหมดเอามีปฐวีอันไหนท่านไม่ทําปริญญาบ้างอ่ะถ้าทําปริญญาในปฐวีก็เท่ากับทําปริญญาในอาโปถ้าทําปริญญาในอาโปก็เท่ากับทําปริญญาในเตโชและวาโยเมื่อทําปริญญาในปฐวีอาโปเตโชวาโยเนี่ยนะผนตาหูจมูกลิ้นกายก็เอามาทําปริญญาถ้าทำตาหูจมูกลิ้นกายก็เท่ากับรูปเสียงกลิ่นรสโพตาบะอวธรรม ปริญญาถ้าทำปริญญาอย่างนี้ก็ภาวะรูปเนี่ยนะ พ i, วกภาวะรูปพวกกัพลิงกราหานก็เอามาทําปริญญาหมดแล้วอันปัญญาเขากว้างขวางอย่างนี้ทีนี้เมื่อทําปริญญาในเรียกว่าวัตถุกับอารมณ์อย่างนี้แล้วจากขูวิญญาณโสตขานะชีวหากายมโนวิญญาณก็เท่ากับเอาทำมาทําปริญญาเมื่อทําปริญญาในวิญญาณเหล่านี้เวทนาสัญญาสังขารที่เกิดร่วมกับสิ่งเหล่านี้ก็เอามาทําปริญญาเมื่อทําปริญญาในสิ่งเหล่านี้นะประมวลสิ่งเหล่านี้เป็นขันอายตนาธาสัจจอินรีย์ปฏิจจะ น, นะปฏิจจคือสมุทัยศาสตร์ก็เท่ากับทำปริญญาจนสามารถตัดฉันทราคะในสิ่งเหล่านี้ท่านไปที่ไหนเนี่ยท่านไม่มีกิเลสเป็นเครื่องติดเครื่องข้องอะนะครับท่านผู้นี้จึงเหมือนกับว่าผู้มีปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินเนี่ยนะเหมือนเหมือนก็ยิ่งใหญ่ดุดแผ่นดินน่ะเพราะปัญญาของท่านไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาเหมือนดุดแผ่นดินอย่างนี้จะไม่ดําเนินผิดผิดถูกๆ ก, ก, กล่าวว่า ชันตุชนผู้สมาทานวัดทั้งหลายเองเป็นผู้คล่องอยู่ในสัญญาย่อมดาเนินไปผิดผิดทุกๆนะพวกที่ถือข้อวัดปฏิบัติเองอะนะทั่วไปโดยมากก็เดินติดคล่องอยู่ในความคิดของตัวเองก็ดาเนินไปผิดผิดทุกๆส่วนผู้มีปัญญาความรู้เนี่ยนะรู้ธรรมะด้วยความรู้ทั้งหลายคือผู้มีความรู้คือมีปัญญาเนี่ยนะรู้อริยสัจด้วยปัญญาทั้งหลายมีปัญญากว้างขวางหลุดแผ่นดิน ท่านไม่ดำเนินไปผิดถุกผิดผิดทุกถูกอีกต่อไปบุคคลผู้มีปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินเป็นผู้กำจัดเสนาในธรรมทั้งปวงเสนาในที่นี้เป็นชื่อของกิเลสนะนะเพราะกิเลสเนี่ยท่านกำจัดหมดในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบอย่างใดอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นคิดว่ากิเลสในอารมณ์ทั้งปวงเนี่ยนะท่านกาจัดได้หมดเลยอะ ผู้มีปัญญาในเขากำจัดในกิเลสกับทุกอารมณ์ใครๆในโลกนี้พึงกำหนดซึ่งบุคคลนั่นแหละว่าผู้เห็นผู้ประพฤติเปิดเผย ด, ด้วยกิเลสอะไรเล่าเนี่ยนะมันเรียกว่าไม่มีใครเอากิเลสไปยัดเยียดผู้มีผู้มีความบริสุทธิ์อย่างนี้ได้เนี่ยนะภาษารีบ ท, ท่านขยายว่าบุคคลผู้มีปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินเป็นผู้กำจัดเสนาในธรรมทั้งปวง คือในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินหรืออารมณ์ที่ทราบอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทวารตาอารมณ์ทวารหูอารมณ์ทวารจมูกอารมณ์ทวารลิ้นอารมณ์ทว า, ารวากายเนี่ยนะทุกอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยท่านกําจัดกิเลสได้หมดแล้วเนี่ยนะไม่มีราคะโทสะโมหะในทุกอารมณ์นะในสีเสียงกลิ่นรสโภชภะไม่มีปิยรูปสาตรูปให้ท่านรักและก็ไม่มีอปิยรูปอาสาตรูปให้ท่านชัง เพราะทุกอารมณ์ท่านพิจารณาหรือทำปริญญาโดยครบถ้วนบริบูรณ์หมดแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านจึงสามารถกําจัดเสนาคือกองทัพมารในทุกอารมณ์เนี่ยนะก็คําว่ากองทัพมารกองทัพมารคืออะไรเนี่ยนะกองทัพมารท่านเรียกว่าเสนาก็คือความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาราคะโทสะโมหโกธอุปนาหมะะักหะปลาสะ พวกนี้พวกอุปกิเลสพวกบา พ, พวกอกุศลทุกชนิดเรียกว่ากองทัพของพญามานนันะกองทัพของพญามานนะมันเกิดที่ไหนเนี่ยก็ตามองเห็นนี่แหละกองทัพพญามานมันอยู่ตรงนั้นนะหูได้ยินจมูกรู้กลิ่นลิ้นรับรู้รดกายรับกระทบโพธาพเนี่ยกองทับพญามานมันไหลมาตามเนี่นะกองทับพญามานอยู่ที่ไหนอยู่ที่โต๊ะอาหารนั่นนะอยู่ที่นั่งดูทีวีเป็นต้นนั่นแหละอยู่แถวๆนั้นน่ะกองทับพญามานนี่นะ ก็คือเนี่ยความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจนั่นแหละราคาโทสะโมหะมเอ่อความกโกรธความผูกโกรธความริษยาความตะนีความมานยาโอ้อวดพวกนี้เป็นเรียกว่ากองทัพพยมามันส่วนเสนาของเขาก็คืออะไร น, นะเสนามานที่เรียกพวกกลุ่มกองทัพมานเนี่ยนะก็คือกิเลสกามเรากล่าวว่าเป็นกองทัพที่หนึ่งกิเลสกรรมนะก็คือตันหานะ ตันหาที่ยึดติดในวัตถุกามอ่ะตันหาที่เกิเลสกามที่เกี่ยวข้องที่ยึดติดในวัตถุกามอันนี้เป็นกองทัพที่หนึ่งของท่านความไม่ยินดีเป็นกองทัพที่สองไม่ยินดีก็คือไม่ยินดีที่จะอบรมสมถาวิปัสนาไม่ยินดีที่จะอยู่ในเสนาสนะอันสงัดไอ้ความไม่ยินดีอนนี้เป็นกองทัพที่สองความหิวความกระหายเป็นกองทัพที่สามตันหา ตันหาเนี่ยนะทำให้สแสวงหาเป็นต้นเนี่ยเป็นกองทัพที่สี่ความหดหู่กับทีน่ามิทานเนี่ยนะเป็นกองทัพที่ห้าความขลาดความขลาดก็คือสะดุ้งอ่ะนะความกลัวว่าเป็นกองทัพที่หความลังเลสงสัยในคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นต้นอันนี้เป็นกองทัพที่เจ็ดความลบลูู่หมิ่นคุณท่านอ่ะนะและความหัวดือ้อ เพราะอาศัยคุณวิเศษเล็กๆน้อยๆ น, นี่เป็นกองทัพที่แปดนะพอมีคุณธรรมเหล่านั้นก็ทําให้เกิดลาบยศสรรเสริญแล้วก็เมื่อได้ลาบยศสรรเสริญอย่างนี้ก็ทําสัตรูปฏิรูปบิดเบือนคําสอนอันนี้เป็นกองทัพที่แปดนะนะเออขอไปกองทัพที่เก้านะยกตนแล้วก็ข่มผู้อื่นนี่เป็นกองทัพที่สิบของท่านดูก่อนพญามารกองทัพของท่านนี้เป็นผู้มีปกติกําจัด ผู้มีธรรมดำเนี่ยนะไอกองทัพมาเนี่ยนะกำจัดคนชั่วกําจัดธรรมดาคนขาดจะเอาชนะกองทัพของท่านไม่ได้คนกล้าย่อมชนะได้ครั้นชนะแล้วย่อมได้ความสุขอะนะเนี่ยพวกพยามานกองทัพมาเนี่ยนะก็สําคัญนะตรงเนี้ยทายังไงจากกำจัดกิเลสมารเนี่ยในอารมณหกให้ได้เอาคือตันกิเลสกามเป็นที่หนึ่งความไม่ยินดีคืออารติเป็นที่สองหิวกระหาย เป็นที่สามตันหาเป็นที่สี่ทีหน้ามิธาเป็นที่ห้าอนะความคลาดกลัวเป็นที่หกลังเลสงสัยวิจิกิจฉาเป็นที่เจ็ดความลบหลู่คุณท่านหัวเดือเป็นที่แปดลาบยศสรรเสริญสการะที่ได้มาโดยผิดธรรมเพราะประกาศธรรมะปฏิรูปอันนี้เป็นที่เก้าความยกตนขมผู้อื่นเป็นที่สิบเนี่ยนะผลเอกพวกกองทัพเนี่ยเป็นผู้มีปกติกรรจัดผู้มีทดำดํำ เพราะฉะนั้นเรียกว่าคนเลวทั้งหลายถูกพญามานเนี่ยกำบำาราบกำจัดสาราบคาบหมดอะเพราะฉะนั้นแต่คนกล้านะคนขาดนี่เอาชนะไม่ได้คนกล้าก็ชนะได้เมื่อใดกองทัพมารทั้งหมดและกิเลสที่กระทาความเป็นปฏิปักษ์ทั้งหมดอันบุคคลผู้มีปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินนั้นอนะชนะแลว้วให้แพ้แล้วทำลายเสียกำจัดเสียทำให้ไม่สู้หน้าแล้วด้วยอริยมรรสีนะ ที่จะกําจัดมาได้เนี่ยนะก็คือกําจัดด้วยมรซีนะก็วิธีคิดง่ายๆก็คือว่าเนี่ยมองเห็นได้ยินแล้วเจริญมรโสดาปฏิมรให้เกิดได้อย่างไรเนี่ยนะเมื่อได้ยินเสียงแล้วเจริญโสดาปฏิมรสกะธาคามีมรอนาคามีมรอรหัตมรให้เกิดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาตั้างขวางดุดแผ่นดินเนี่ยนะเมื่อตาเห็นหูได้ยินเป็นต้นเนี่ยท่านเจริญอริ ย, ยมรได้เอา พันเมื่อนั้นผู้มีปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินเรียกว่าเป็นผู้กำจัดเสนาบุคคลนั้นน่ะเป็นผู้กำจัดเสนาในรูปที่เห็นเรียกว่ากำจัดสมูทายสัตว์ในรูปที่เห็นกำจัดสมูทายสัตว์ในเสียงที่ได้ยินกำจัดสมูทายสัตว์ในกลิ่นในรสในโพธิภะที่ทราบกำจัดสมูทายสัตว์ในอาเรียกว่าในสิ่งที่ใจรู้ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นในทุกอารมณ์ที่ท่านรับรู้ไม่มีกิเลสเลย นันจึงสรุปว่าผู้มีปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินนั้นน่ะเป็นผู้กำจัดเสนาในธรรมะทั้งปวงคือในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินหรืออารมณ์ที่ทราบอย่างใดอย่างหนึ่งคำว่าซึ่งบุคคลนั่นแหละเห็นผู้ประพฤติเปิดเผยความว่าซึ่งบุคคลนั่นแหละผู้เห็นธรรมะอันหมดจดคือเห็นธรรมะอันหมดจดวิเศษเห็นธรมนมดดนธรมะอันหมดจดรอบเห็นธรรมะอันขาวเห็นธรรมะอันขาวรอบเไ อีกอย่างหนึ่งผู้ม mm ีความเห็นอันหมดจดมีความเห็นอันหมดจดวิเศษมีความเห็นอันหมดจดรอบมีความเห็นอันขาวสะอาดมีความเห็นอันขาวรอบคำว่าเปิดเผยมีความว่าพึงปิดบังคือตันหาขอไปเปิดเผยเปิดเผยก็คือความว่าเครื่องปิดบังคือตันหาเครื <ok ่องปิดบังคือกิเลสเครื่องปิดบังคืออวิชชาเครื่องปิดบังเหล่านั้น อันบุคคล น, นั้นเปิดเผยแล้วกรรจัดเลิกขึ้นเปิดขึ้นละตัดขาดสงบประงับทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานนะเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินเนี่ยนะประพฤติเปิดเผยคือเรียก ว, ว่ากรรมทำลาย้เครื่องปกปิดได้หมดเกลี้ยงไม่มีเหลือคําว่าผู้ประพฤติคือผู้ประพฤติผู้เที่ยวไปเป็นไปหมุนไปรักษาดําเนินให้อัตภาพดําเนินไปนะ่น คำว่าใครๆในโลกนี้พึงกําหนดด้วยกิเลสอะไรเล่าความว่ากําหนดกําหนดสองอย่างนะกำหนดด้วยตันหากับทิฏฐิเนี่ยนะคำว่าใครๆจะพึงกําหนดบุคคล น, นั้นอะด้วยราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอุทจาวิจิกิจชาอนุสัยอะไรเล่าคือไปกําหนดท่านว่าเป็นผู้กําหนัดขัดเครืองลุ่มหลงว่าเป็นผู้ผูกพันถือมั่นถึงความฟุ้งซ่านไม่ตกลงใจเนี่ยหรือถึงโดยอนุสัยเนี่ยนะ กิเลสเครื่องปรุงแต่งอันบุคคล น, นั้นนะ่ะท่านละแลว้วกิเลส ท, ทุกชนิดนะ่ะท่านละแล้วอะเพราะเป็นผู้ละ ก, กิเลสเครื่องปรุงแต่งเหล่านั้นแลว้วใครใครจะพึงกําหนดคติแห่งบุคคล น, นั้นด้วยกิเลสอะไรเล่าเนี่ยนะคือจะเอากิเลสอะไรมาบอกท่านว่าเป็นผู้เกิดในนรกเปรตเดรัจฉานเปรตมนุษย์เทวดาหรือว่าจะเป็นสัตว์มีรูปสัตว์ไม่มีรูปสัตว์มีสัญญาสัตว์ไม่มีสัญญาหรือว่าเนวสัญญานาสัญญา เพราะว่าบุคคล น, นั้นไม่มีปัจจัยไม่มีเหตุไม่มีกาณะอันเป็นเครื่องกำหนดกำหนดวิเศษ น, นะถึงความกำหนดแห่งใครๆไม่รู้จะเอาอะไรไปกำหนดท่านว่าท่านจะปฏิสนธิในที่ใดเนี่ยนะไม่มีคำว่าในโลกคืออบายโลกมนุษยโลกเทวโลกขันธาตุอายตนะโลก น, นะนั้นว่าโดยสรุปก็คือบุคคลผู้มีปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินนั้น่ะ เป็นผู้กำจัดเสนาเสนาก็คือสมุทัยสัตว์ในธรรมทั้งปวงคือในอารมณ์ทั้งปวงคือในสิ่งที่เห็นเสียงที่ได้ยินนะกลิ่นรถโภทภะที่ทราบหรือว่าสิ่งที่ใจรู้ทั้งหมดเนี่ยใครๆในโลกนี้กําหนดบุคคล น, นั้นแหละไม่ได้หรอกนไนะคือผู้เห็นผู้เปิดเผยเนี่ยนะเปิดเผยก็คือละกิเลสเครื่องตกปิดได้หมดเนี่ยจะเอากิเลสอะไรมากําหนดท่านว่าท่านจะทํากรรมอย่างนี้ไปเกิดหน้าที่นั้นๆอะ่ะไม่ได้หรอก